ซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นคือท่านสอบได้เป็นมหาเปรียญโดยได้คะแนนบาลีเต็มร้อยในเวลาต่อมาท่านเล่าให้ลูกศิษย์ลุงหาฟังว่าการสอบได้ในครั้งนั้นไม่มีอะไรดีใจเลยเพราะ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 ที่จะเป็นครูเราก็ทิ้งให้องนั้นองนั้นไปเสียเราก็ออกได้เราจึงไม่เป็นครูใครเลยนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกมหาป ร, ริยนไม่เคยเป็นครูสอนใครทั้งนั้น